เมื่อวานไปเทศที่ศาลาลุงชิน้คนเยอะนะมันมีเรียออะไรนะสถิติใหม่อยู่เลย <c oughs> มันก็เป็นข้อดีนะว่าคนรุ่นนี้สนใจการปฏิบัติมากเยอะจริงแต่ก่อนคนเข้าวัดก็ส่วนใหญ่ไปทำบุญนะคนทางกรุงเทพเนี่ยสนใจการภาวนามากนะตั้งแต่สมัยท่านพ่อรีเข้ามาบุกเบิก ที่วันอโศการามคนกรุงเทพแต่ก่อนไม่รู้จักครูบาอาจารย์วัดปา่าท่านพ่อหลีได้มาอยู่บางปูคนก็เลยค่อยๆสนใจเรื่องกรรมฐานเนะสร็จแล้วก็ขาดช่วงกระแสของวัตถุนิยมมันรุนแรงคนก็ลืมธรรมะไปช่วงหนึ่ง มารุนพวกเรานี้คนเริ่มหันมาสนใจธรรมะมีเยอะไม่ได้สนใจแค่จะทำบุญทาทานแต่สนใจที่จะปฏิบัติเอาเนื้อหาสาระของธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้ไม่มีอะไรดีวิเศษเพื่อความพ้นทุกข์เท่ากับธรรมะหรอกถ้าคนใดเข้าใจธรรมะนะอยู่กับโลกก็อยู่ยังมีความสุขถ้าต้องการออกไปพ้นโลก ก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันนั่นแหละเจริญสติไปเรื่อยๆยินศรีแก่กล้าพอแล้วมันก็บรรลุมรรผลนิพพานไปทยอยกันนะทยอยไปเรื่อยๆคนที่เข้าสู่กระแสของธรรมก็มีอยู่เรื่อยๆยังไม่ขาดช่วงขาดตอนอวันนี้เป็นวันวิสาขะวิสาขะบางคนก็บอกว่าได้ 2,551 ปี นับแต่ปรินิพานบางคนก็ว่าพาสอสไม่ถูกอีกนะักวิชาการบางคนก็บอกตอนเนี้สองพันหะนึ่งละขึ้นวิสาขาใหม่แต่กี่ปีก็ไม่เป็นไรนะช่างเถอะให้พวกนักวิชาการเขาเทียงกันไปวันวิสาขะเราก็เคยเรียนกันนะเป็นวันประสูตรวันตรัสสรุปปรินิพานมีสามอย่างแต่ถ้าพูดในแง่ของตัวสภาวะ มันก็มีเกิดกดับพระพุทธเจ้าท่านเกิดสองครั้งท่านนิพพานสองครั้งเกิดครั้งแรก80ปีก่อนพศออเกิดจากท้องแม่มาก็คือเกิดมาในฐานะของความเป็นมนุษย์อะไรเป็นปัจจัยให้ท่านเกิดไปเกิดที่ลุมพินีใช่ลุมมินเดเอาวิชาเป็นปัจจัยให้ท่านเกิด ท่านเกิดครั้งแรกในฐานะที่เป็นมนุษย์ตัวที่ทําให้เกิดก็คืออวิชชานั่นเองท่านยังไม่รู้แจ้งอริยสัจท่านก็เลยต้องเกิดอีกท่านเกิดครั้งที่สองในวันที่ตรัสรู้อันนี้เป็นความเกิดทางจิตวิญญาณของท่านเกิดครั้งที่สองเนี่ยท่านเกิดด้วยวิชชาเกิดครั้งที่หนึ่งเกิดด้วยอวิชชาเกิดครั้งที่2เกิดด้วยวิชชาหรือท่านแจมแจ้งในอริยสัจ พอท่านแจ้งอริยสัจนะท่านก็บรู้พระอรหันต์นี้ท่านบรรลุพระอรหันต์องค์แรกวนะ่าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าหากบรรลุแล้วไม่สอนใครนะก็เป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้านี้ท่านสร้างบา ร, รมีมาทางจะสั่งสอนก็เลยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนตรัสรูทท้ทีแรกท่านทอ้อใจนะธรรมะนี้ลึกซึ้งเหลือเกินธรรมะนี้สวนกระแสของโลกธรรมะนี้ธรรมดานะ แต่ส่วนกระแสของโลกส่วนความรู้สึกของคนไม่ใช่ธรรมะนี้ยากเย็ยนแสนเข็นไม่มีคนรู้ตามได้หรอกคนรู้ตามได้ก็มีอยู่แต่ว่ามันน่าท้อแท้ใจในการจะเผยแพร่ออกไปคนทั้งโลกเขาวิ่งตามกระแสของกิเลสตัณหาเนี่ยนี่จะทวนกระแสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนจะเอาเรือไปขวางน้าน้ำเชี่ยวด้วย ดูดูไปก็โอ้ถ้าจะเหนื่อยเปล่ามาั้มนะ ง, สรรมงสู้เขาไม่ไหวขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังรู้สึกธรรมะท่านคงสู้เขาไม่ไหวไม่เอาดีกว่าเสร็จแล้วมหากรุณาในจิตใจที่เคยบ่มมานานแล้วกระตุน้นเตือนให้ท่านต้องออกมาสอนเป็นอย่างนั้นทุกท่านนะทุกท่านไม่ว่าท่านหนึ่งท่านใดเวลาท่านบรรลุพระอรหันต์าาขึ้นมาเนี่ย จิตใจท่านจะทอแท้ไปเลยในการที่จะสอนหูมันยากเหลือเกินมันไม่ใช่ยากเหมือนสนเข็บนะมันเหมือนต้อนช้างเข้ารูเข็ ม, มอย่างั้นยากจริงๆกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงได้มันสวนกระแสเหลือเกินนี่ในที่สุดท่านก็ทำของท่านจนได้นะท่านเกิดครั้งที่สองเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ในขณะที่ท่านเกิดครั้งที่2ท่านก็ตายครั้งที่1นึท่านนิพพานนิพพานครั้งแรกของท่า น, นเรียกว่าสัพปาทิเศสนิพพานนิพพานกิเลสเนี่ยในขณะที่ตรัสรู้นั่นแหละเป็นขณะที่เกิดพระสัมมาสัมพุท ธ, ธาขึ้นมาในขณะนั้นเป็นขณะที่ท่านเข้าถึงสัพปาทิเศสนิพพานนิพพานกิเลสกิเลสหมดสิ้นไปจากจิตใจเหลือแต่ธาตุขันต์ดำรงอยู่อีก45ปี ธาตุขันที่ท่านดำรงอยู่ถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ต้องตอบว่าเป็นทุกข์นะกระทั่งขันของพระพุทธเจ้าก็เป็นทุกข์เพราะงั้นเราอย่าคิดเลยว่าเราจะภาวนาจนขันของเราเป็นสุขเป็นไปไม่ได้เพราะขันเป็นตัวทุกข์ท่านยังมีความหิวมีความกระหายมีความหนาวมีความร้อนมีความเหน็ดเหนื่อยนะมีความอ่อนเพลียมีความเจ็บไข้เพนะงั้นเราไม่ได้ภาวนาจนขันมีแต่ความสุข ท่านครองขันอยู่ครองขันพระอหัน์ที่คลองขันอยู่เนี่ยพระมหากัสปะท่านเคยเปรียบเทียบบ อ, อกจิตใจของท่านนะ่าสะอาดหมดจดเหมือนคนหนุ่มคนสาวอาบน้ำใหม่ๆนะปลมน้าหอมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆสวยงามนะมีเครื่องประดับสวยงามแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องเอาสุนัขเน่าๆตัวหนึ่งห้อยคอไปด้วยยนะั้นความรู้สึกจะไม่เหมือนพวกเรา พวกเรารู้สึกขันของเราเป็นของดีของพิเศษแต่ขันสำหรับพระอราหันตะ์เหมือนสุนัขเน่าเหมือนหม า, นาเน่านั่นแหละไปไหนก็ต้องแบกหมาเน่าไปด้วยนะทำอะไรทั้งวันทั้งวันถามแล้วท่านเกลียดไหมท่านไม่ได้เกลียดเพราะใจท่านไม่มีกิเลสท่านไม่ได้เกลียดแแล้วท่านรักไหมท่านไม่ได้รักเพราะท่านไม่เห็นสาระที่จะรักท่านก็มีชีวิตอยู่ไป รอวันที่จะเข้าถึงนิพพานครั้งที่สองเรื่องอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานขันรอวันที่จะปลดมาเน่าตัวนี้ทิ้งไปงั้นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็คือเป็นการนิพพานครั้งที่สองนิพพานขันทิ้งขันไว้ในโลกพวกเราก็เผาศพท่านนะแล้วก็มีพระทงพระาธาตุมาแจกกันแต่พระาธาตุทุกวันนี้นะรวมรวมกันแล้ว คงจำนวนพอกับกระดูกไดโนเสาร์ละไม่รู้ทําไมมันเยอะนักที่ไหนที่ไหนก็มีพระธาตุนะบางที่หลวงพ่อเคยเห็นนะพระธาตุอันตั้งแค่นี้กระดูกอะไรใหญ่โตปานนั้นนะรวมความก็คือท่านทิ้งธาตุทิ้งขันไนะว้เราระลึกถึงก็เป็นบุญเป็นกุศลหรอกจะพระธาตุจริงพระธาตุปลอมนะนึกถึงก็เป็นบุญ ล, ล, ะละ้ล่ะ ในสายตาหลวงพ่อนะพระาธาตุก็เหมือนพระพุทธรูปเลเป็นเครื่องะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะปั้นมาจากดินปั้นมาจากทำมาจากไม้หรือจากอะไรก็ตามนะก็กราบไหว้ได้ในสมัยโบราณ น, นะสมัยมีอยู่ช่วงตอนประเทศมอญอยังอยู่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่อยู่มาจนแก่หาลูกหลานไม่ได้ ไม่มีใครจะสืบรชาชสมบัติแกเห็นพระองค์หนึ่งนะชื่อพระธรรมปิดดกมั้งจำไม่ได้นะชื่อคล้ายๆเจ้าคุณประยุทธ์นี่แหล <c oughs> อะอเจ้าคุณประยุทธ์ต้องชื่อคล้ายท่านนะท่านเ ก, เกิดมาก่อนหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้แม่นองค์นี้เป็นพระที่ปราดเปรื่องคนนับถือมากมีคุณธรรมนีพ่พระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงนี่ก็ไปนิมนต์ให้ศึกออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาจากสามัญชน ขุนนางอะไรต่ อ, อะไรนี่ไม่นับถือนะพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงนี้แกฉลาดแกก็สั่งให้ตัดเอาเสาสะพานตัดเสาสะพานสะพานเป็นไม้บนอะให้เอาเสาสะพานอันหนึ่งมาเปลี่ยนเสาซะเอาเสาอื่นไปแทนแะล้วเอาไม้เสาสะพานเนี้ยมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเอามาตั้งไว้นะขุนนางมาเจอแลขุนนางก็กราบแกก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยเรากราบใช่ไหมเราไม่ได้ดูที่ว่าทำมาจากอะไร กลับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปนะคนจะ ก, กำเนิดจากอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนี่ก็ควรจะกลับเปรียบเทียบ่างนี้นี่เขาฉลาดนะเขาไม่ได้หักหานเลยว่าแกต้องเคารพนะอะไรเงี้ยเขาฉลาดงนอย่างพระพุทธรูปนะทำด้วยอิดด้วยหินด้วยทองเหลืองทองแดงอะไรก็กลับได้เพื่อลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่กลับแบบเทวรูปนะกลับให้เฮงให้เฮงไม่เฮงหรอก ก, กลับให้ได้ถึงคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าถึงจะใช้ได้อย่างพระาธาตุนะพระาธาตุทุวันนี้เยอะแยะบางคนอยากได้คนเอามาให้หลวงพ่อเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็ไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วแจกต่อตอนราชะกาลที่ห้าเนี่ยอังกฤษขุดพบพระาธาตุที่อินเดียอยู่ในพระอบหินที่กบิลพัทแล้วก็มีจารึกไว้เลยว่าเป็นพระาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมอังกฤษนะยกให้ราการที่ห้าเอามาลงเรือมานะมาขึ้นที่ปากน้ำเนี่ยก็ทําฉลองกันใหญ่พอเปิดออกดูนะเหมือนกระดูกธรรมดานี่นกระดูกธรรมดานี่แหละคนไทยนะเคยชินพระธาตุเป็นแก้วใสๆนะชักงงเว้ยทาไมของพระพุทธเจ้าเป็นกระดูกธรรมดาชักงงงงชักจะไม่เชื่อ บอกว่าวันนั้นนะ่ะก็เปล่งพรรัศมีออกมาสว่างไปทั้งจวนข้าหลวงนั่นเลยพวกขุนนางพวกเจ้าที่ไปรับนันก็เลยเชื่อเอามาใส่ไว้ที่ภูเขาทองนะงั้นพระาธาตุในเมืองไทยที่มีหลักฐานแน่นอนนะมีอยู่ที่เดียวนี่แหละคือที่ภูเขาทองแต่ภูเขาทองเป็นเจดีที่ไม่มีใครไป สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะสำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จอุบัติมาแล้วท่านสอนธรรมะซึ่งพวกเราเมื่อศึกษาตามแล้วปฏิบัติตามแล้วเราพ้นทุกข์ตามท่านได้จริงๆตามได้จริงๆริงนะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองด้วยไม่ต้องอาศัยคําโฆษณาชวนเชื่อหลวงพ่อพูดเหมือนโฆษณาชวนเชื่อหลวงพ่อไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อแต่หลวงพ่อท้าให้มาพิสูจน์ ลองมาไหมลองรับคําท้าของหลวงพ่อไหมมหัดเจริญสติแล้วก็ดูซิว่าความทุกข์จะหล่นหายไปจริงไหม <S <S อี่ยว่าแต่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเลยบางคนแค่มีสติเกิดขึ้นสติที่แท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ก็ตกหายไปต่อหน้าต่อตาละแต่มันตกชั่วคราวตกได้ชั่วคราวทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตก็มีความสุขขึ้นมามีความเบิกบานขึ้นมา ความเครียดทั้งหลายความกังวลทั้งหลายความกลัวทั้งหลายความไม่แน่นอนอะไรทั้งหลายนี่สลายหายไปหมดเลยแต่ชั่วขณะเท่านั้นแต่เดี๋ยวกิเลสตัณหาก็กลับมาย้อมจิตใหม่เราก็ดูของเราอีกน ะ, จะเจริญสติของเราไปเรื่อยมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นขึ้นมาก็จะมีความสุขมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะก็มีความสุข อย่างบางทีเราพอนานนะมันเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาเป็นระยะระยะไปเป็นลําดับลําดับไปตอนที่มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นนะจิตใจมันจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งไม่เกิน7วันหรอกแต่ถ้ามีความสุขจากการมีสตินะสุขที่ลักษณะเท่านั้นนะแวบเดียวก็หายแวบเดียวก็หายถ้าสุขจากสัมมาส ม, มาธินั้นะก็สุขไปได้เรื่อยๆสุขไปเรื่อยๆถ้าสุขของปัญญานะไม่เกินเจ็ดวันอิ่มเอิบอยู่งั้นนะนะไม่นานเดี๋ยวก็หายไปอีก สุขของวิมุตตนะนึกถึงที่ไรก็มีความสุขทุกทีกทเลยแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะนึกถึงหรือจะไม่นึกถึงก็มีแต่ความสุขใจมันไม่มีอะไรเสียดแทงจิตใจของพวกเรานะหัดภาวนาเรารู้สึกว่าจิตของเรามีสิ่งเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาจิตของเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยอานาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายทันทีที่เกิดความอยากขึ้นมานะจิตก็ถูกบีบคั้นนะถูกเค้นถูกบีบคั้น จิตได้รับความลําบากตัณหาดับไจจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวนะเสร็จแล้วกิเลสเนี่ยมันจะแฝงตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วด้ยแต่เดิมนั้นกิเลสหยาบหยบัเล่นงานเราสะบักสะบอมพอเรหัดจเจริญสติมากเข้ามากเข้านะกิเลสหยาบหยบับทำอะไรไม่ได้แล้วพาใจไหวกิเลสปรุงกิเลสแวบขึ้นมาสติปัญญามันทำงานอัตโนมัตินะกิเลสดับไปคราวนี้กิเลสต้องแปลงรูปแปลงโฉมใหม่นะ แต่งรูปแต่งโมให้ดูดีจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนะั้นมันปลืม้มปลื้มในบุญในกุศลนะีพอใจในความสุขพอใจในความสงบพอใจในความว่างนะพอใจที่ได้เป็นคนดีเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ก็กิเลส ท, ทั้งสิ้นแหละนะแต่ดูยากดูยากว่าเป็นกิเลสอย่างเราภาวนานะใจเราว่างๆสบายมีความสุขนะมีความสุขได้ความสุขไม่ใช่กิเลส แต่พอมีความสุขปั๊บเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่พอนะราคะจะแทรกเข้ามาในความสุขรันทีเลยมันจะเกิดพออกพอใจขึ้นมาเมื่อวานไปที่ศาลาหลวงชินก็มีคนมาเล่าว่าเขามีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างโน้นอย่างนี้มากมายนะเข้าใจธรรมะอย่างโน้นอย่างนี้มากมายหลวงพ่อก็บอกซื่อๆนะตามนิสัยหลวงพ่อบอกไม่ใช่หรอก คิดมากไปปัญญารำหน้าพอปัญญารำหน้านะคิดทำมาโอ้ฉันเข้าใจขาเข้าใจแล้วมันมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขนะพอใจแล้วพอใจโอ้อยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมโลกกระแว่างเปล่าต้องทำตาลอยๆนี่โลกกระแว่างเปล่าแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะแต่เวลาเจอคนอื่นนะก็จะเปลี่ยนลูกกระตาเป็นอย่างงี้นี่ฉันแน่มากเลยฉนะันแน่ชั้นหนึ่งนะ แต่คนนี้ดีนะคนนี้ไม่ดือ้อหลวงพ่อก็บอกให้เนี่ยจิตมันจําสภาวะได้ว่าจิตที่โล่งๆว่างๆเป็นไงอยู่ๆก็น้อมเข้าไปตรงนั้นเลยบอกจิตยอย่างนี้มันขี้เกียจจิตชนิดนี้ขี้เกียจที่จะรู้กายรู้ใจแกเลยสารภาพใช่ครับใช่ผมขี้เกียจเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมรู้กายรู้ใจแล้วมันรู้กายรู้ใจเห็นแต่ทุกข์นี่มันหลบแป บ, บเลยเพอเห็นกายเห็นใจมันทิ้งปุ๊บเลยไปอยู่กับว่างๆเลย ว่างๆนี้ก็คิดพิจารณาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยินดีพอใจอยู่ตรงนี้นี่ก็กิเลสนะแค่นี้ก็ติดแล้วติดอยู่แล้วมีอะไรมีรูปประคาะบ้างอารูปประคาะบ้างถ้าพิจารณามาเนี่ยไม่มีรูปเป็นอารมณ์ใช่ใช้ความคิดใช้การพิจารณาจิตใจเงียบลงไปมีความสุขขึ้นมานะยินดีพอใจในความไม่มีอะไรเลยเป็นอรูปประละ กิเลสนะพอมัละเอียดเข้าจริงนะดูยากมากต้องอาศัยความช่างสังเกตของเรานี้บางคนก็เข้าใจผิดนะว่าความสุขเป็นกิเลสความสุขไม่ใช่กิเลสความสุขเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นวิบากไม่ใช่กิเลสความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเป็นวิบากเฉยเฉไม่ใช่กิเลสเป็นผลของกรรมถ้าทํากรรมดีมาได้รับความสุขทํากรรมชั่วมาได้รับความทุกข์ แต่ว่าพอมีความสุขแล้วราค้ามันแทรกตัวนี้เป็นกิเลสพอมีความทุกข์นะโทสะมันแทรกกิเลสมันแทรกตัวตามเวทนามาพอมันแทรกตัวเข้ามามก็ครอบงําจิตทําให้จิตดิ้นรนขึ้นมาสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาภพก็คือการทํางานของจิตชาติก็คือความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมามันจะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราสังเกตในพวกที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเราจะพบเลยความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลา มันผุดขึ้นมาเป็นคลาลผุดขึ้นมาตอนไหนตอนสร้างภพนั่นแหละมีภพเมื่อไหรนะก็มีชาติเมื่อนั้นภพก็คือการที่จิตมันดิ้นรนทํางานนะั่นแหะมันดิ้นรนปรุงแต่งทําไมจิตมันต้องดิ้นรนปรุงแต่งนะเพราะมันมีตันหาเป็นตัวผลักดันมันอยากผู้ปฏิบัติอยากอะไรผู้ปฏิบัติอยากดีอยากสุขอยากสงบแล้วก็ดิ้นรนเอาคนในโลกอยากอะไรอยากได้ความสุขนะอยากได้กรรมสุข ผู้ปฏิบัติก็อยากได้ความสุขแต่ความสุขประณีทขึ้นไปอีกอยากได้ความสุขในมรรคผลนิพพานอยากได้ความสุขของจิตใจมันก็อยากเหมือนกันแหละแต่อยากต่างกันพูดยากนะก็เป็นความอยากด้วยกันแต่ว่าอยากคนละชนิดกันอันนึงอยากชั่วอันนึงอยากดีอยากชั่วก็จะดิ้นรนไปแบบคนชั่วอยากดีก็ดิ้นรนไปแบบคนดี นะเมื่อดิ้นรนอย่างคนชั่วก็จะทุกข์แบบคนชั่วเมื่อดิ้นรนอย่างคนดีก็จะทุกข์อย่างคนดีนั้นใจเราเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยกระทั่งลงมือปฏิบัติด้วยความอยากนะั้นดิ้นดิน ด, นดินไปอยากเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุนะไม่ไม่บรรลุสักทีเลยโมเมว่าบรรลุไปเลยก็มีนะ <c oughs> คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะทั้งมาฟังที่นี่ที่ศาลาลุงชินอ่านหนังสือฟังซีดีนะ ดูทางอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยมันคงมีเป็นแส น, นทั้งโลกอ่ะนะใครๆก็ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะแล้วเวลาไปก่อเรื่องที่ไหนเขบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไปก่อเรื่อง <c oughs> งั้นขอถแถลงการหน่อยนะถ้าใครพบเห็นบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไปก่อเรื่องที่อื่นนะ <c oughs> เชงกะบาลมันเลยเขาลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทจริ ง, รงๆอย่าดูตัวเองนะ ศึกษาตัวเองดูกายดูใจของตัวเองไม่ใช่ลกสิทธิ์หลวงพ่อประโมทแล้วคันมากเลยเจอใครก็อยากสอนเขาไปทั่วนะพอเขาไม่เชื่อก็ไปเขห์เขาอะไรเงี้ยอยากดีอยากเด่นอยากใหญ่อะไรงี้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่นักปฏิบัติจริงๆหรอก น, นักปฏิบัติจริงๆนะืศึกษาตัวเองรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยเพื่อวันหนึ่งมันจะพ้นทุกมัพ้นเป็นลําดับลําดับไปนะวันใดได้พระโสดาบันนะมันจะรู้สึกโอ้เหมือนเรือมีหังเสือก่อนหน้านั้นเหมือนเรือนะ แต่ไม่มีหางเสือลอยเต้งเต้งเๆ้เตไปทางไหนก็ไม่รู้นะบังคับไม่ได้ไร้ทิศทางจะเกยหินโสโครกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจะถูกน้ําวนดูดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทํำอะไรไม่ได้สักอย่างช่วยตัวเองไม่ได้พอได้โสดาบันมันจะรู้สึกเหมือนเรือมีหางเสือนะยังเจอพายุเจอคลื่นลมอยูนะ่ยังพอจะประคองตัวหลบหลบหลีกหกได้บางทีก็รอดแล้ไปเลยถ้าโสดาบันบางทีรอดแล้ไปเลยก็มีนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้นน หลานสาวตายนะรอแรกเลยร้องหม่มร้องไห้เสียอกเสียใจไปเลยไม่ใช่ว่าไม่ทุกนะยังทุกได้อยู่ทุกหนักหนักได้อยู่แต่ว่าพอตั้งหลักง่ายพอมีทิศทางรู้ว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งรู้ว่าต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งแต่ว่าใจมันจะเริ่มอบอุ่นนะมีความอบอุ่นในใจรู้ว่าเรามีที่พึ่งแล้วชีวิตของเรามีเป้าหมายเรารู้แล้วเราเกิดมาทําไม ถ้ายัางไม่ได้โสดาบันงทีก็อาศัยศรัทธารูปรูปคลำคลไปว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์น่ะเพื่อปฏิบัตินะ่ะอันนี้อาศัยฟังครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างอาศัยการคิดพิจารณาบ้างแต่พอได้โสดาบันเรารู้เลยชีวิตเรามีเป้าหมายนะเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วนะอย่ารู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่ความจริงคนที่ไม่เสียชาติเกิดนั้นก็คือคนซึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมนะ แล้วก็คนที่ได้ลงมือปฏิบัติทำพวกนี้ไม่เสียชาติเกิดเลยพวกนี้กําไรทั้งสิ้นนะพอลงมือปฏิบัติรู้ ก, กายรู้ใจไปเนี่ยสมมุติว่าชาตินี้ไม่บรรลุอะไรนะชาติต่อไปจะง่ายยิ่งชาตินี้เราทำมาให้เต็มเหนียวนะชาติต่อไปนี่ง่ายมากเลยนั่นเราต้องสะสมของเราเนี่ยใจมันจะมีที่พึ่งที่อาศัยนะพอได้ธรรมะแล้วเหมือนลูกมีพ่อมีแม่รู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนแต่บ้านนี้ยังอยู่ไกล ต้องเดินทางอีกนานฝ่ายพิถึงนานแค่ไหนก็ไม่เกินเจดชาติเจ็ชาติแป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวเคยมีพระองค์หนึ่งนะสมัยท่านยังไม่บวชท่านเกิดสนใจขึ้นมาสงสัยขึ้นมาว่าเอ้ในหนึ่งกัปเนี่ยหนึ่งกัปเนี่ยนะกัปเฉพาะกับเนี่ยท่านเกิดเป็นคนมาแล้วกี่ครั้งเอาเฉพาะคนด้วยนะนั่งภาวนาไปจิตมันก็แสดงให้ดูเห็นภูเขาของหัวกระโหลกขึ้นมา เป็นภูเขาย่ำๆนะแต่ก็ไม่มากนักหรอกเพราะว่าผงไปเกิดเป็นสัตว์ซะเยอะเหมือนกันแหละเฉพาะเป็นคนเนี่ยนะัวก็ะโหลกกองขนาดตึกห้าชั้นใหญ่ๆอันนี้คนที่สร้างบารมีเยอะแล้วนะถ้าคนไม่ได้สร้างบารมีนะคงเป็นบัวเป็นกวายซะเยอะคงเป็นสัตว์ซะเยอะงั้นเจ็ดชาตนินิดเดียวแป๊บเดียว ชีวิตของเราในชาตินี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้ลิ้มรสว่าพระพุเทธเจ้าสอนอะไรเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ละเป็นโชควาสนานยิ่งใหญ่นม่จัดทิ้งโอกาสไปเปล่าๆชาตินี้ได้เจอธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติซะชาติไหนไม่เจอแล้วจะวางเวงใจเขอใช้คําว่าวางเวงนะวางเวงวางเวงจริงๆนะชาตินี้ได้เจอธรรมะเนี่ยจิตใจมัจะอบอุ่น รู้ว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรงั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปนะไม่ต้องดิ้นรนหาสามีภรรยาหาโน้นหานี่มากนักหรอกพออาศัยอยู่ในโลกก็พอแล้วใครมีแล้วก็ไม่ใจทอดทิ้งนะหลวงพ่อไม่นิยมหรอกให้ทิ้งเมียแล้วบอกจะทิ้งเมียไปบวชพอเมียหลวมตัวยอมตกลงนะแป๊บเดียวพ้าสึกไปมีเมียใหม่ละ <c oughs> งั้นเราภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะ รักษาศีลไว้มากน้อยสันโดษสันโดษในคู่ครองของตัวเองคนยุคนี้ไม่สันโดษในคู่ครองนะติดนิสัยของเดราชานมามากเกินไปเดราชานบางชนิดสันโดษในคู่ครองของตัวเองนะอย่างนกบางอย่างนะคู่มันตายนะมันตายด้วยเลยต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้คนดูแล้วต่อไปงั้นเรามีโอกาสแล้วอย่าเสียเวลาเปล่าอย่าสนุกสนานกับโลกมากเกินไปโลกไม่มีอะไรหรอก โลคไร้สาระจริงๆนะแต่สายตาของเราทุกวันนี้โลกยังมีอะไรตั้งมากมายเรามองเห็นอย่างนั้นได้เพราะเราหลงผิดหรอกวันใดที่เราภาวนาจนเราเข้าใจขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าน่าใจหายจะรู้สึกใจหายนะใจหายเหลือเกินเราก็บุดผิดที่จะหลงไปทางอื่นเหมือนกันบุญนักหนานะที่หลงหลุดเข้ามาในกระแสของธรรมะได้มองไปยังเพื่อนร่วมโลกมองไปยังสัตว์ทั้งหลายนะ ก็ใจหายอีกสลดสังเวชสงสารนะเมื่อไหรเธอจะลืมตาขึ้นมาเพราะฉนั้นลืมตานะอย่าทําตัวให้หน่าสลดสังเวชมากนะักแต่พวกที่น่าสลดสังเวช ท, ที่สุดก็คือพวกที่ไม่รู้ว่ายังหลับอยู่ในโลกนี้คนหลับทั้งโลกเลยคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจํานวนได้หลวงพ่อกากะดูนะยังมากก็หลักพันเท่านั้นนะไม่ได้มีมากหรอกนะคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆอย่างคนเข้าวัด เป็นหมื่นเป็นแสนนะคนไม่ตื่นหรอกน้อยคนที่จะตื่นขึ้นมาอาศัยได้ฟังธรรมจนเกิดสติทำชนิดไหนที่ฟังแล้วเกิดสติคือทำที่เกี่ยวกับสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมนั่แหละรู้เรื่องรูปธรรมรู้นามธรรมามากๆแล้นมันจะเกิดสติขึ้นมาจิตมันจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมาได้สติจะเกิดเองสติเกิดแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมานะใจหายเลยโอ้ยหลุดออกมาได้ยังไงนะ อัศจรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆหลังจากนั้นนะก็อยากขี้เกียจถึงจะตื่นแล้วก็ยังหลับได้อีกเพราะว่าจิตใจมันคุ้นเคยกับอกุศลมานานมันจะลากกลับไปหาโลกอีกฉะนั้นเราต้องคอยมีสติรู้ทันตัวเองไว้กิเลสจะลากเราไปหาโลกนะเราก็ต้องมีสติคือธรรมะคุ้มครองรักษาจิตเอาไว้ นั้นรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกแล้วก็รู้กายรู้สึกแล้วก็รู้จิตใจ ร, รู้สึกไปเรื่อยๆมันจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันอิ่มมันเต็มมันพอนะมันจะตัดสินความรู้ของมันเองเราไม่ต้องทําอะไรเราไม่ต้องดิน้นรนเราไม่ต้องพยายามที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจิตเขาจะบรรลุของเขาเองนะแต่เดิมหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้นะว่าไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตมันเป็นเองมันบรรลุเอง เราพูดแบบเซ่อๆไปแบบพูดมาจากประสบการณ์ภาวนาไม่เห็นมีใครจะสั่งจิตได้สักคนหนึ่งตอหลังครูบาไปเจอพระไตปิดกแล้พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันท่านสอนบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ต้องการมรรคนิพพานเนี่ยนะไม่มีใครทำมรรคนิพพานให้เกิดได้หรอกแต่ว่ามีหน้าที่เจริญศีลสิกขาเจริญจิตสิกขาเจริญปัญญาสิกขาเรื่อยๆไป เมื่ออินทรียแก่กล้าเพียงพอแล้วนะมรรคนิพพานก็เกิดขึ้นเองจิตจะบรรลุมรรคนิพพานเองพงั้นพวกเราเจริญไปนะรักษาศีลไวนะ้มีสติขึ้นมามันก็มีศีลมีสติขึ้นมาก็มีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมามีสติก็มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจรู้สึกตัวนะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งจะเกิดมรรคลเองท่านเปรียบเทียบบอกเหมือนชาวนา ชาวนาไม่สามารถสั่งต้นข้าวให้ออกรวงข้าวไม่สามารถทำให้รวงข้าวมีเมล็ดเต็มได้ชาวนาสั่งต้นข้าวไม่ได้แต่ชาวนาทำเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ต้นข้าวออกรวงไดไ้ชาวนาไปไถนาไปหว่านข้าวเอาน้ำเข้านาน้ำมากไปเอาออกจากน า, าคอยดูแลรักษาต้นข้าวแล้วต้นข้าวก็ออกรวงเองพวกเรามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญานะ อบรมดูแลจิตของเราว่าหนึ่งจิตออกมรรคออกผลเองนะอ่ะเชิญไปทานข้าวเดี๋ยวนี้ต้องมีระขังน้ําเงี้ยบางทีเทศละไปเรื่อย